ไ ป, ไ, ป ไ, ปไปเรื่อยไปเรื่นมันลงค่อยรู้รู้จักขึ้นค่อยรู้จักรู้จักรู้จักขึ้นค่อยฉลาดฉลาดฉลาดเป็นเรื่อยรื่อความคิดนั่นก็ไม่มากปัญญามันมากเึ็นมากเต็มความคิดมันจะน้อยลงคิดไปแล้วก็จับกาเจอความคิดมันเเป็นทุกข์มมันจบประการมากอ แค่นั้นไม่ไหวเขาเป็นทุกข์มากลําบากนึกว่ามันจะหายไม่ได้นึกว่ามันจะไม่มีทางจกลงได้แต่เมื่อมันจบลงมันก็จบเองมันมันลืส้สตกเองมันก็ไม่ไปที่ไหนแล้วยังทำํำอะทำโมกุโตเขาก็สืบไปสืบไปเขาไม่เป็นอะไรอย่างเรียนหนังสืออีกแล้วโมกุโต เป็นอาจารย์ใหญ่กรรมฐานนะมั้งท่ามกุตโตเป็นอาจารย์กรรมฐานไปเราไปที่แดงมานั่งอยู่เฉยไม่พูดเราก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็จำไม่ได้ลุงรังมดหนวดเราน้องพ่อจำพงในไหม ไก่ถรามาคุโตแเราเึีกว่าปีศาจไว้ศึกษาระยินไหนแลกวก็คอยทำสมาธิเจริญปัญญาไปในตัวที่นี่โดยมากการปฏิบัติที่นี่ในสมัยนี้ในสมัยนี้นะ สมัยทีเดียวนี้เรายึดมาจากท่านอาจารย์มั่นฝ่ายธรรมยุทธ์รดยมากฝ่ายมานีกายนั่นโดยมากไม่ต้องถือปวนัาแต่โดยมากแต่มีเหมือนกันแต่น้อยภาวนาไปเลยอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อพวกเรา เป็นคนบุญดวงหลานมาพกเข่าก็เก้อเขินสงสัยว่าอันใดมันถูกอันใดมันผิดอย่างนี้เป็นต้นอย่างใดมันถูกอย่างใดมันผิดเนี่ยมันกํลังเลสงสัยบุคคลที่ได้อบรมพระวินัยมาแล้วระเบียบมาแล้ว จะมาละโดยพระบินัยนั่นก็ไม่สบายใจนะไม่เคารพต่อพระบินัยนั่นไม่ปฏิบัติพระบินายนั้นก็ไม่สบายใจนี่กลุ่มกลุ่มที่สองนั้นก็เรียกว่าเราเคยปล่อยเคยวางมาแล้วเรื่องพระวินัยเราไม่เกี่ยวข้องเมื่อเรามาเทศพระวินัยฟังก็ไม่สบายใจอีกแล้วอย่างนี้ ตอนนี้ไปไม่พอใจทั้งหลายเรานี่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นในความเป็นจริงนั้นเราทุกคนก็ต้องพิจรารณาอย่างครบันทั้งหลายมาทุกวันนี้รู้ภาษาไทยแล้วพสมควรแล้วก็ะดูพอไกลปีดุกก็ได้ เป็นรากฐานที่ใหรเลยมองเห็นได้ว่าพระไกรปิดฎกมีอะไรบ้างอย่างนี้เราก็พอควรเห็นได้ว่าพระไกรปิดฎกทันที่ว่าอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรนี้เราก็พอรู้ของเราผู้ที่รู้ภาษาไทยแล้วอ่านได้เนื้อจารย์ประจารย์คนก็ต้องศึกษากันมาทุกๆคนในความเป็นจริงนั้น ไอ้ความเป็นจริงนั้นมันเรื่องศีลมันเรื่องสมาธิมันเรื่องปัญญานี่แหละมันเป็นแกนของการปฏิบัติในดับพุทธศาสนานั้น <c oughs> เป็นแก่นศีลนั้นก็เรียกว่ามันก็ กายวาจามันก็เกี่ยวเนื่องกันกับจิตอยู่แล้ว ม, มันเกี่ยวเนื่องกันศิล ส, สมาธิปัญญาถ้าเราแยกกันออกเป็นสามอย่างระเหมือนไม้สามซี่มันมันอยู่อย่างนี้ถึงแม้มันเป็นคนลซี่หรือมันเป็นสามซี่ แต่มันก็มารวมกาลังทำอันเดียวกันให้มีกำลังขึ้นมาอันนี้เป็นศีลอันนี้เป็นสมาธิอันนี้เป็นปัญญาเมื่อแยกกันออกไปแล้วมันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแต่ว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันมาทำงานเกี่ยวข้องอันเดียวกันนี้เอง ไม่ใช่ทางานที่อื่นมาทํางานรวมกันนี่เราก็ได้ความว่าการปฏิบัตินี้มันก็มีทางศีลมันก็มีทางสมาธิมันก็มีทงมาทงปัญญาตัวเรานั่งอยู่นี้ก็คือกายวาจาจิตนี้มันมีอยู่แล้วเราจะไปทิ้งกายวาจามันก็ไม่ได้เราจะไปทิ้งจิตมันก็ไม่ได้ ที่เราปฏิบัตินั้นมันต้องเกี่ยวเนื่องกระสินอยู่แท้ๆอย่างกายกายกจิตของเราอะไรไม่เกี่ยวเนื่องเครื่องกายมีไหมกายนี้มันเป็นสถานที่อาศัยของจิตอยู่มันเป็นรูปพระธรรมเมื่อรูปพระธรรมมีนามพระธรรมก็อาศัยอยู่นี้ เมื่อมีนามประธรรมก็มีรูปประธรรมก็มีนามมีรูปมีกายมีจิตมันก็ต้องปฏิบัติกายกับจิตนี้แหละเป็นอยู่นี่นี่คือหลักการปฏิบัติแท้ๆมันมารวมอยู่จุดนี้ถ้าเราแยกมันออกไปก็เหมือนไม้ไม้ทอดหนึ่งอย่างนี้มันติดกันอยู่อย่างนี้ย แรา้มาตัดนี่หนึ่งแล้วก็ตัดนี่เป็นสามท่อนเนี่ยแต่ว่ไม้สามาท่อนนี่ก็จริงแต่มันตัดออกจากกันนี้ก่ อ, อนมันก็ติดกันอยู่เป็นท่อนเดียวแต่เรามาตัดมันดอกเนี่ยมันก็เป็นสามท่อนเป็นนี่ท่อนหนึ่งเป็นนี่ท่อนหนึ่งเป็นนี่ท่อนหนึ่งปฏิบัติธรรมะนี่เหมือนกันถ้าเรามาตัดมันดอกเนียก็เป็นศีลเนียเป็นสมาธิเนียเป็นปัญญาเนี่ย ไอ้ความเป็นจริงสีลสมาธิปัญญานี่มันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันอยู่เหมือนไม้ท่อนนี้ก่อนมันก็เป็นอันเดียวธรามาตัดมันออกมันออกมันออกเสร็จแล้วมันก็เป็นสามท่อนอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงอันนี้ก็เรียกว่าขยายออกเพื่อจะให้นักศึกษาเราเข้าใจง่ายความเป็นจริงมันรวมอยู่ที่เดียวกันหมดมันรวมกันเป็นอันเดียวอืมไม่ใช่หลายอัน ทนี้การประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้เข้าใจว่าเราปฏิบัติธรร ม, มะปฏิบัติธรร ม, มะทำอะไรรูปประธรรมนามประธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายแล้วนามประธรรมก็คือเรื่องจิตของเราก็ามีเท่านี้เราจะมองเห็นดูง่ายๆก็ได้ว่ามันมีเท่านี้ไม่มีอื่นไกล ฉะนั้นการปฏิบัินี้มันโกงกันข้ามกับจิตของเราจิตของเราเนี่ยกิเลสตัณหานี่กับความจริงมันโกงกันข้า ม, มฉะนั้นเรื่องปฏิบัตินี้เป็นเรื่องยุ่งอยู่สักนิดหนึ่งบางทีสิ่งที่เราเข้าใจว่าผิดนั้นมันถูกก็มี ที่เราเข้าใจว่ามันถูกกันบางทีผิดก็มีมเพราะอะไรเพราะไอ้จิตของเราเนะี่ยมันมืดไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นจิตของเรานี่คือความเห็นของเราตัวเอาเป็นประมาณไม่ได้เอาเป็นประมาณไม่ได้เพระาะจิตรเราไม่รู้ตามความจริงตามเป็นจริงแล้ว เอเอาเป็นประมาณไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจันจิงตรัสว่าการฟังธรรมะอย่างวันนี้เหมือนกันการฟังธรรมหรือพวกท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่ก็จริงมีพระพระพาสโรและวรปัญโยดูเป็นประธานในที่นี้ท่านก็เป็นผู้แนะนำทําสอน ความรู้ความเข้าใจของท่านหรือนแนะนําอะไรต่างๆเป็นอุบายบางท่านก็คงจะไม่ชอบใจเป็นบางอย่างบางท่านก็คงจะชอบใจเป็นบางอย่างก็เป็นธรรมดาของคนเราบางคนก็ไม่อยากจะรับฟังเลยบางคนก็อยากจะรับฟัง อย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์ถ้าเป็นนักปราชญ์ผู้ฟังธรรมแล้วฟังทุกอย่างว่าไอความคิดของเรานั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้ต่อเนื่องว่าอย่างนี้เราชอบใจอย่างนี้เราไม่ชอบใจบางทีอย่างที่ชอบใจแล้วมันผิดความจริงก็มีมันไม่เป็นธรรมะก็มี ไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบใจนั้นมันเกิดเป็นธรรมะแท้จริงก็มีเราคนคนหนึ่งพอเหมือนเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็มาถูกคนโกหกเ ข, เขากกงบอกว่าอันนี้ถูกอย่างนี้มันก็เชื่อเพราะเรามันงูขาชี้ว่าสิ่งที่ถูกนั้นว่าอันนี้ผิดเราก็เชื่อเขาก็ได้ สิ่งที่มันผิดนั้นเราว่านี่ถูกเราก็เชื่อเขาก็ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่เป็นตัวของตัวไม่รู้ตามความเป็นจริงนั้นเหมือนจิตของเราทุกวันนี้แหละถูกอารมณ์โผล่อกเรื่อยบางทีก็ชอบอันนั้นบางทีก็ไม่ชอบวันนี้ถูกก็โง่อยู่เรื่อย พราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงของมันมันกโกหกอยู่ด้วยดวยีถ้าหากว่าเราฟังผู้ฟังธรรมก็ต้องฟังไปเถอะธรรมนั่นจะชอบใจเราหรือไม่ชอบใจเราก็ฟังเป็นคนที่ฟังธรรมอันนี้ได้ประโยชน์เพราะว่าไอ้ความจริงนั้นน่ะ พี่พระท่านเทศให้ฟังหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ฟังนั้นเราจะไปเชื่อก็ไม่ได้เราจะไปไม่เชื่อก็ไม่ได้เราต้องอยู่ที่นี้ที่ครึ่ง้งกลางๆนี้ไม่ได้ประมาทไม่ได้ประมาทว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเราหัฟังของเราไปจะเอาไปพิจารณา ให้มันเกิดเกิดเหตุผลในทางที่ชอบเกิดขึ้นมานั้นเหมือนพระพุทธเจ้ า, าสอนนั่นแหละอสอนภาษาริบุตรเทศในภาษาดิบุตรฟังอะไรก็เทศในฟังแล้วก็ถามว่าสารีบุตร เ, เชื่อไหมยังไม่เชื่อพระยาฟาะดีแล้วสารีบุตร นักปลาดทั้งหลายไม่ควรเชื่อง่ายๆควรเอาไปพิจารณาติตรองดูเหตุผลก่อนจึงเชื่อเนี่ยมันเป็นเช่นนั้ น, นแม้ถึงพูดความจริงให้ฟังแกก็ยังไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงนั้น อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพวกเราทุกคนเหมือนกันผมด้วยเคยปฏิบเคยปฏิบัติมา ก, ก่อนพวกท่านเนี่ยมันถูกโกหกเยอะแยะมาแล้วว่ามันลำบากมากปฏิบัตินี้ลำบากหลายทำไมมันถึงลำบากเพราะเราคิดไม่ถูกนั่นเองมันเป็นมิจฉาทิฐิ เราคิดไม่ถูกแต่ก่อนผมเคยอยู่กับพวกพระมากๆผมก็ไม่สบายลวนเลนี้ไฟตามป่าตามเขาวัานนี้จากพวกหนีจากเคลื่อนคิดสู่สามเณรมั น, เ, มนมเหมือนใจเราปฏิบัติไม่เก่งเหมือนเรามีความประมาท คนโน้นเป็นอย่างโน้นคนอีกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ปเป็นเหตุอันหนึ่งให้เราวุ่นวายเป็นเหตุให้หนีไปไปเรื่อยๆไปไปอยู่องค์เดียวก็มีสององค์ก็มีก็ไม่ได้ความสบายไปอยู่องค์เดียวก็ไม่ได้ความสบายไปอยู่หลายองค์ก็ไม่ได้ความสบายไปอยู่ที่เอกราบมากเยอะแยะก็ไม่สบาย ไปที่อยู่เอกกราบที่มันไม่มากไม่น้อยก็ไม่สบายในความไม่สบายนี่เราคิดว่ามันเป็นเพราะเพื่อนเป็นเพราะอารมณ์เป็นเพราะที่อยู่เป็นเพราะอาหารเป็นเพราะอากาศเป็นเพราะอันโนตเป็นเพราะอันนี้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งนั้น เราก็เสแสงหาไปทายไปตามเรื่องของเราไปเรื่อยๆแต่ก่อนเป็นพระทุดงทุรงไปนี่แล้วก็ไม่สบายถ้าก็ภาวนาพิจารณาไปทำยังไงถึงจะสบายนาะเป็นไงเนาะพิจารณาอยู่อยู่มากคนก็ไม่สบายอยู่น้อยคนก็ไม่สบาย ยูอากาศที่มันเย็นไม่สบายอากาศที่มันร้อนคอไม่สบายเพราะอะไรเนาะนี่ไม่เห็นซะแล้วทาไมมันถึงไม่สบายเพราะมันเป็นนิจชาอิท ธ, ธิมีความเห็นผิดเพราะว่าตัวของเรานี่ยังยึดทำอันมีพิษอยู่อืมนั่นเอง ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายเขนึ่อว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ไมเรื่อยไปอน่ะมันไปโทษคนอื่นเาัามันไปโทษอากาศอมันไปโทษความร้อนมันแปโทษความเย็นมันแปโทษทุกสารพัดอย่างมันก็หมาบ้า หมาบ้ามันจะทันอะไรมันกักดของมันไปมันเป็นบ้านี่เป็นเินน่งนี้พวกเราทาั้งหลายเมื่อเราปฏิบัตินี่จึงมีจิตกระสรับกระสายอยู่เรื่อยไปวันนี้สบายพรุ่งนี้ไม่สบายเอมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้ความสบายไม่ได้ความสงบ มานึกถึงพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่แห่งหนึ่งประชุมพระพิสุสง์ตอนบ่ายตอนเย็นมาท่านเห็นหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหมาป่าวิ่งออกมาจากป่าแล้วก็มายืนอยู่เมื่อยืนอยู่แล้วก็วิ่งเข้าไป ในผใุ่มไม้วิ่งไปในผุ่มไม้แล้วก็วิ่งออกมาแล้วไปในโพรงไม้ไปอยู่ในโพรงไม้ประเดียวพล้วิ่งออกมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในถ้ำอืมปรเดียวแล้วก็วิ่งออกมาเดียวก็ e er. selling, ย fahren, นืนอยู่เดียวก็วิ่งไปเดียวก็นอนเดียวก็ลุ๊ไม้จีกจอกตัวนั้นมันเป็นกี่เรื่อด มันเป็นโรคเรื้อนไปยืนอยู่ไอตัวเรื้อนมันใช่กินเนื้อกินหนังมันเนี่ย<ม>ยืนอยู่เปรี้ยวแล้วก็ไม่สบายแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปก็ไม่สบายแล้วก็หยุดอยู่อห<ม>ยุดอยู่ก็ไม่สบายก็นอนนอนก็ไม่สบายก็ลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็เข้าไปที่กุมไม้ในที่ชุมทุ่งกลุ่มไม้ไปนอนอยู่สบายแล้วก็วิ่งนี ว่าผู้ไม้นันไม่ดีว่าไปในโพรงไม้ก็ไปในโพรงไม้ก็อยู่พักหนึ่งไอ้ตัวที่เรื่อนอะ่ะเอมันใช่กินเนื้อกินหนังมันอยู่เดี๋ยก็รูก้ก็อีกเธอไปในถ้ถําพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายท่านเห็นไหมว่าเมื่อตอนเย็นวันนี้หม้จริงจอ脚ตัวหนึ่งมันเดินมาอยู่นี่เห็นไหมเออมันจะยืนก็เป็นทุกข์ มันจะวิ่งไปมันก็เป็นทุกข์มันจะนั่งอยู่มันก็เป็นทุกข์มันจะนอนอยู่มันก็เป็นทุกข์มันจะเข้าไปในผู่มไม้มันก็เป็นทุกข์เจ้าเข้าไปในโปรงไม้มันก็เป็นทุกข์เจ้าเข้าไปอยู่ในถ้รมันก็ไม่มันก็ไม่สบายมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเห็นว่าการยืนนี่ไม่ดีการนั่งนี่ไม่ดีการนอนนี่ไม่ดี ผุ้ไม้นี่ไม่ดีโปรงไม้นี่ไม่ดีทรรนี้ไม่ดีมันก็วิ่งยิ่งลอดเวลานั่นฉันนั่นก็เหมือนกันกันนั่นในความจริงจริงนั่นหมาจีกจอกตัวนั่นมันเป็นกี่เลือด ม, มันไม่ใช่เป็นเพราะโปรงไม้มันไม่ใช่เป็นเพราะผุ้ไม้มันไม่ใช่เป็นเพราะธรามไม่ใช่เป็นเพราะการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่สบาย เพราะมันเป็นกี่เอนชั้นใดก็ชั้นนั้น้าที่ตูวทั้งหลายนี่ก็มันกันชั้นนั้นความไม่สบายนั้นคือความเห็นผิดมีอยู่ไปยึดรมที่มีพิษไว้มันก็เดือดร้อนไม่สังวรสังดวมบินซีทั้งหลายนั้นก็ไปโทษแต่สิ่งืนไม่รู้เรื่องของเจยวของอย่างนั้น ไปอยู่วัดประคงก็ไม่สบายอยู่อเมริกาก็ไม่สบายอยู่กรุงดอนดอนก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไปอยู่วัดมุงหวายก็ไม่สบายไปอยู่ทุกทุกสาขาก็ไม่สบายตรงนั้นแหละไม่ค่อยสบายไม่นี่ก็คือความเห็นผิดนั้นยังมีอยู่ในตัวเรานั่นเองนะ มีความเห็นผิดยังไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมอันมีพิษว้ในใจของเราอยู่อยู่ตรงไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นนี่คือความไม่สบายมาเกิดมาตรงนี้อันนี้ผมก็เคยพบมาแล้วถ้าหากว่าเร า, าเหมือนกันกับสุนัขนะั่นถ้าหากว่ า, าโรคเรื้อนมันหายแล้วนะ มันจะอยู่ที่ไหนมันก็สบายอยู่ในการแกล้งมันก็สบายอยู่ในปา่ามันก็สบายอันนี้ผมนึกถึงบ่อยๆแล้วก็ผมนำมาสอนพวกท่านทั้งหลายอยู่เรื่อยเพราะธรรมะตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากมันเป็นประโยชน์มากพระพิสูจทั้งหลายนี่ก็มันกนันนั่น ถ้าหากว่าเรามารู้จักอารมณ์ตามความเป็นจริงมันเสร็จแล้วนั้นมันก็สบายจะมีความร้อนไปบ้างมันก็สบายจะมีความหนาวบ้างมันก็สบายอยู่ที่คนมากก็สบายอยู่ที่คนน้อยมันก็สบายแต่ความสบายไม่สบายมันไม่อยู่ที่คนมากคนน้อยมันอยู่ที่ความเห็นถูกเท่านั้นอยู่ที่ความเห็นถูกเท่านั้น ถ้ามีความเห็นถูกขึ้นในใจของเราแล้วยู่ที่ไหนมันก็ไม่สบายที่ไหนมันก็สบาย อ, อันนี้เรามีความเห็นผิดอยู่ยึดธรรมมันมีผิดอยู่แล้วมันก็ไม่สบายที่เรายึดอยู่เหมือน ก, นกับตัวนอนนะอตัวนอ น, นั่นนะ ที่อยู่ของมันก็สุกระบรกอาหารของมันก็สุกกับรกที่อยู่อาหารของมันไม่ดีทั้งนั้นไม่สมควรเ่ว่ามันสมควรกับหนอนเนี่ยลองเอาไม้ไปขีดเขี่ ย, ยมันออกจากมูดดูสิจากคูดดูสิตัวหนอนนั่นมันจะดิ้นกระเสือกกระใสไปทีเดียวมันจะกลับมาหากองคูด อย่างเก่ามันมันทึกสบายมันอันนี้ก็มันกันแั่นนั้นถ้าเพียงสู่สมณีเราทั้งหลายมีความเห็นผิดอยู่นะครูบาอาจารย์มาแนะนําให้เห็นถูกนั้นมันริ่นนะมันไม่สบายใจมันไม่สบายใจมันวิ่งไปหาแต่กองกองพูดมันด้วเรื่อยละมันไม่สบายเพราะตรงนั้นเป็นที่อยู่ของมัน เมื่อไรหนอนนั่นมันยังเห็นไม่มันมันยังไม่เห็นความสุขปกอยู่ในที่นั่นเมื่อไรมันก็ออกไม่ได้พวกเราทั้งหลายกลุ่มมันกันฉันนั่นถ้าไม่เห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเรานั่นมันก็ออกไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยากลาบากอืมนะแค่นั้นจงฟังไม่มีอะไรอื่นการปฏิบัตินั้นถ้าเรามีหิน เห็นมีความถูกต้องดีแล้วนั่นผมว่าอยู่ตรงไหนก็สบายอันนี้ผมกับพึ่งปฏิบัติมาแล้วเคยพบมาแล้วเคยพบมาแล้วถ้าหากว่ามันไม่รู้จักอย่างทุกวันนี้มีพระภิกษุสมณเนมีญาติมีโยมมีอะไรหลายๆอย่างมานะผมก็ตายแล้วป่านนี้นะผมก็ตายแล้ว ถ้ามันมีความเห็นผิดอยู่มันก็ตายแล้วผมเห็นว่าที่อยู่ของพระเรานั้นที่มันเยือกเย็นนั่นก็คือความเห็นถูกต้องนั่นเองเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปร สัมมาวาจาสัมมาชีโยสัมมากัมันโตสั ม, มมาวายาโม ο, สัมมาส ต, ติสัมมาส ม, มาธิเนี่ยถ้ามีความเห็นถูกเขียนชอบแล้วมันสบายมีความสงบอ่าพวกเราทั้งหลายนั้นอย่าไปค้นอย่างอื่นเลยอย่าไปนค้นอย่างอื่นให้มันมากเลยคนตรงตรงนี้ อันนี้เป็นลักษณะการปฏิบัติเฉพาะตัวเฉพาะตัวของเราบตรนี้ามาพูดถึงหลักบริหารเรียกว่าทำไมถึงพูดถึงหลักบริหารเพราะาคนเราทุกคนจะอยู่ที่ไหนก็ต้องอ ไปอยู่คนเดียวๆจริ ง, รงๆก็ไม่ค่อยสบายอย่างน้อยก็สอง 3, องสามองสี่องห้าองค์จนมันใหญ่โตมาเหมือนวัดบุงหวายนี้สมัยก่อนก็ไม่มากที่อยู่ก็ไม่ร้ายอีย่ที่อาศัยก็ไม่มากมันก็เลยน้อยบัดนี้มันโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วบัดนี้มันจะต้องมีหลักบริหาร บริหารนั้นก็ต้องมีคนคนหนึ่งเป็นผู้คนหนึ่งหรือสองคนเป็นรากฐานเป็นแกนในวัดในอาวาสอันนั้นเพื่อจะคุ้มครองให้ความรู้ความเห็นในบางครั้งบางคราวเมื่อเราเห็นผิดก็ให้เราเห็นถูกให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขในปฏิบัติพร้อมๆกัน อันนี้เป็นเหตุมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโน้นเมื่อท่านปฏิบัติมาครังแหลกท่านก็ไม่มีอะไรปฏิบัติกายกับจิตนี่เองต่อมาเรื่อยๆมาก็มีพักคพวกมีสานุศสิทธิ์เกิดขึ้นมาคนทำผิดก็มากคนทำถูกก็มากแก้ไขมาตลอดกาลตลอดเวลาทีานี้ วันนี้นี่ก็มีหลายคนหลายคนก็รายจิตห้ายใจเป็นเหตุให้มีปัญหาหลายๆอย่างเช่นปีนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเมื่ออยู่ปีนี้ได้หลายคนแขกก็มาอยู่ใช่ไหมกลาแขกก็มาอยู่ ผมคุณว่าเอาแขกกับฝรั่งไปอยู่รายกันอยู่ทิปมันจะเป็นยังไงมันอยู่รายการ <c oughs> เอาแขกมาอยู่ด้วยแขกก็ไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอะไรก็เก่งหมดทั้งนั้นอ่ะเด็ดทํามาดีหมดเด็ดขาดทั้งนั้นฮะเรื่องไม่เด็ดขาดไม่มีเลยเก่งไปที่มาอีกพวกเซน าอีกองหนึ่งตามนหวังโลกเขาอยู่นะผมบอกว่าว่าปะกรเนี่ยอย่าเอาไว้นะนี่เอาไว้เดือดเกลืเทศนี่ไอ้พวกเส้นนี่เออเมื่อพูดอย่างนี้แน่นอนแน่นอนหมดรูกหมดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของสมณะเรานี่เป็นเหตนะฉะนั้นเราต้องหลายต้องประกันช่วยการทำทุกคน เจ้าอาวาสอาวาสนี่ก็คือที่อยู่เจ้าอาวาสก็คือผู้อยู่ในอาวาสนี้ก็ช่วยกันปรับปรุงกันทำปฏิบัติที่อยู่อาศัยนี่เป็นที่อยู่ให้เราสบายกันปฏิบัติธรรมกันเท่านั้นที่นี้ที่รับมากที่รับภาระหลายก็คือผู้เป็นประธานนี่ไหนที่จะรับแขก ในที่จะอันนูอันนี้เหมือนผมอยู่วัดตๆๆๆ้องโปรองอะที่นี่เมื่อมีภาระมากหลายจใจผมไปทําทุกอย่างเหมือนเพื่อนก็ไม่ได้บางทีรับแขกจนเย็นกลางคืนมาจใจผมไปทําวัดสวดมนต์อยู่ตื่นทุ่มมาทุ่มันก็ไม่ได้เด็กตายนะอันนี้ก็ให้พกกากันเห็นด อ, อกเห็นใจให้ช่วยกัน ใ้สามาัคคีปองดองซึ่งกันแลกันยิ่งเราอยู่ในเมืองยิ่งเราอยู่ในประเทศนอกเรามาอยู่ในเมืองไทยเรานะอันนี้ก็ยิ่งเป็นเหตุนะยิ่งเป็นเหตุยิ่งเป็นตัวอย่างในพุทธศาสนานั้นว่าเราก็ควรสามาัคคีกันทุกอย่างปลอมกันช่วยกัน อยากให้มันมีอะไรกันเกิดขึ้นมานันดีมากเรื่องจิตใจของคนเรานั่นนะนะมันเป็นของยากมันเป็นของลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่บวชธรามาใหม่ๆบวชมาใหม่ๆใะไม่รู้เรื่องยิ่งไปกันใหญ่เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งหากว่ามาจากเมืองนอกแล้วน่นนะมาอยู่ที่นี่มันก็ยิ่งไปคนได้ย่างอีกแล้วเพราะว่าอากาศก็ไม่เหมือนเราที่อยู่การปกการฉันนู้นนี่ก็ไม่เหมือนกันทั้งนั่นแหละถ้าเรามาคิดคิดไม่ดีพิจนาไม่ดีกูเดือดร้อนมันถูกบังคับไปหมดทุกอย่าง ที่เราเข้ามาปฏิบัติตามพระธรรมในนี้มันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้แล้วก็เปลี่ยนความเห็นแล้วก็เปลี่ยนการนอนเดีวก็เปลี่ยนการกินทุกอย่างตายพวกท่านทั้งหลายมาปฏิบัติอยู่วัดบวงวายนี่อยู่วัดประโค้งนี่ก็ได้ตายตายหมดทุกอย่างตาย ทำไมถึงว่า ง, งานันเปลี่ยนออกมดทั้งนั้นเ่ยไม่เคยกราบก็ต้องกราบไม่เคยไหว้ก็ต้องไหว้ไม่เคยทำวัดสวดมนต์ก็ต้อวัดสวดมนต์ไม่เคยนั่งเป็นระเบียบอย่างนี้ก็มานั่งอ้หลายอย่างมากมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเป็นเป็นผ้าศิตแกเราเนี่นแล้วก็พยายามเปลี่ยนแต่อาหารการกบขันนี่ผมก็เคยไปเมืองนอก พอไปเห็นอาการกิริยานะั่นมันไม่ใจเร้นตรงกันนะอืมไม่ใจเร้นตอนเช้าตอนเย็นต้องกินนมกินเนยต้องกินขน ม, มฟังต้องอะไรต่ออะไรหลายอย่างยุ่งผมอยู่เมืองไทยผมไปเมืองนอกหรผมยุ่งไปเห็นการกินเลยยุ่งมากอันนี้พวกท่านทั้งหลายปิดมาตั้งแต่เด็กเล็กน้อยบัดนี้เราจึงเรามานะมาก็เป็นทุกข์ เหมือนเวลาปัญโยเห็นไหมนะมาขังเรียกขัทุกอยี่สองปีนั่งมันร้อนบางทีก็วิ่งกข้ห้องสว่เลยห้องน้ำมันนอนมันยินอยู่ตรงนว้นออกมาเดินแหมมันทุกข์เลือดทนเลยนะมันทุกข์มากเลือเกินเลยมันทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์ น่ะจะเป็นทุกข์นอนคิดมากนะอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือน้าตามันไม่เคยได้อืมน้ําตาลไม่เคยได้โมระพันโยไม่พอเลี้ยงตัวหนูมากัดย่ามด้วยเฮ้ยยากคนอื่ไม่ต้องตัดดอกัดย่ามโระพันโยทุกที นะเราก็นะพ่อหนูกัดยามมันทำไหมหนูมักัดยามตัวเราเป็นอยูลล่ย่ามันมีสาเหตุนะมันมีถั่วอีสงอยู่ในนั่นนะหนูมันก็ชอบเปียกอย่างนั้นแหละยามเอาที่ไหนคือหนูกัดหมดเลยมันทุกตัวนี่เป็นอย่างนี้ มันทุกข์ผมก็เห็นใจเหมือนกันมันทุกข์ที่จะพอบรรเทาทุกข์ได้ก็ประมาณจะสี่ปีห้าปีแล้วนะเรื่องบิมฟ้าอากาศนี่อันนี้มันลำบากมากผมก็เห็นใจเหมือนกันอืเห็นใจที่ไปมาแล้วไปเห็นมาแรกก็เห็นใจเหมือนกันทุกอย่างนี้แต่อย่างไรก็ช่างมันเถอนะคนเรามีทุกข์ นะมันจึงเกิดปัญญาถ้าเราไม่มีทุกขเราก็ไม่ได้คิดถ้าเราไม่ได้คิดเราก็ไม่เกิดปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้อืมถ้าเราไม่รู้เราก็ออกจากทุกไม่ได้มันเป็นอย่างนี้อืม ที่นั่นผู้ปฏิบัตินี้มาต้องมาฝึกฝนอดทนต่อสิ่งทั้งไร่เปลี่ยนหมดแต่เมื่อเรามาคิดอีกแล้วเราก็ไม่กลัวเหมือนกันนะโลกเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็มากัดทะรู้ในโลกนี้ไปได้สาวกทางหลายท่านก็มากัดทะรู้ในโลกนี้ทุกองท่านก็ไปได้อยู่ในโลกมันจะทุกข์ขนาดไหนอะไ ร, รพระพุทธเจ้าท่านก็ทําได้ สาโลกทั้งหลต้องกระทาที่นี้มิใจว่าท่านไปทํำนอกโลกท่านทําอยู่ในโลกนี้เองทําไมท่านถึงมีปัญญาออกเป็นพระอธิยะบุคคลได้นะอันนี้ก็ให้เราเอาไปพิจารณาอืหลักอันนี้เอาไปพิจารณาให้มันดีอืนนอนในความทุกข์ยากลาบากนี้มันก็เป็นมาถ้านั้นเปลี่ยนถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้ แต่ก่อนจิตใจเราอยากนี่จนกว่ามาเห็นเนี้ยไม่อยากเนี่ยจิตใจเรามันโรคจนกว่ามาเปลี่ยนว่ามันไม่โรครู้จากพอดีเนีเนี่ยจิตใจเรามันโกรธสมัยก่อนนั้นไม่ชอบใจเด็กก็โกรธเลยเมื่อปฏิบัติจนเปลี่ยนว่าไม่โกรธ ีน่ไม่โกรธไม่มีความโรคไม่มีความโกรธแล้วก็ไม่มีความหลงแต่ก่อนมันมีความโรคแต่ก่อนมันมีความโกรธแต่ก่อนมันมีความหลงนี่มีพูดถึงพระอริยเจ้านะแต่ก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเลยมีโรคอยู่เต็มําเลยมีโรคมีโกรธมีหลงอยู่เต็มที่เลย เมื่อท่านมาประพฤติปฏิบัตินี้สู้ทุกนี้ได้เพราะทุกนี่แหละทําให้ท่านบรรลุทำได้ให้มันเกิดความคิดความคิดนี่เกิดปัญญาเอปัญญาเป็นเหตุให้รู้เรื่องต่างๆตามเป็นจริงความรู้เรื่องตามเป็นจริงนั้นเป็นเหตุให้พ้นจากทุกเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้แี่ฉะนั้นท่านมาเปลี่ยนหนอกนะอย่างสูดาท่าก็เปลี่ยนโกดาสกทิทาคาอนาการนี่ เปลี่ยนไปเรื่อ ย, อยๆไปคือจะน้อยหนึ่งจนหมดคําที่ว่ามันหมดนั้นก็เรียกว่ามันหมดไอ้ความเห็นตั้งแต่ก่อนมานั้นหมดไปอเห็นผิดนั้นมันก็หมดไปไอ้ความถูกคันก็เกิดเป็นมาเรียกว่ามันหมดเรียกว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนไปก็ชื่อ ก็เรียกว่าเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยพระอริยบุคคลพระโสดาภิกขุพร ะ, าพระาคาพระนาคาพระอดหันอันนี้ก็ต้องถูกเปลี่ยนไปด้วยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่เหลือแต่ ก, กายนี้เหลือแต่ ก, กายนี้อิตใจเปลี่ยนหมดแล้วทรงวิ ก, กัยสังขารยังอยู่มีความร้อนมีความหนาว มีความเจ็บมีความไข้เป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้แต่ว่าจิตนั้นมันเปลี่ยนแล้วเห็นความเกิดแก่เจ็บตายตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราสู้ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เดียวการเปลี่ยนพวกเราทั้งหลายนี้ก็มันการที่ปฏิบัติมานี้องค์หนึ่งองค์หนึ่ ง, งคนละหลายปีมันก็ถูกเปลี่ยนมาบ้าง แต่มันก็ยังเปลี่ยนไม่หมดถ้าเปลี่ยนไม่หมดทุกมันก็ยังไม่หมดเปลี่ยนไม่หมดทุกมันก็ยังไม่หมดต่อเพราะมันยังไม่หมดมันยังไม่จบมันเสียเช่นนี้เป็นต้นฉะนั้นเราจึงเกิดการอดทนการประพฤติปฏิบัตินี้ไม่ใช่บาเราจะไปรีบไปเร่งมันมันมีเหตุผลผู้ที่อยากจะบรรลุธรรมะง่ายๆเร็วๆนี่ไม่ได้ มันเห็นผิดมันต้องอาศัยเหตุผลเหมือนเราเดินไปก้าวหนึ่งก็หายมนถึงวัดหนองประพง์แล้วนี่มันก็เดินไปแล้วมันต้องเดินไปได้หลายก้าวมันจะถึงวัดหนองประพง์เนี่ยอันนี้มันต้องมีเหตุผลอย่างนี้เราเดินไปก้าวเดียวห้ถึงวัดหนองประพง์จากวัดหนองประพงมาวัดบุงวายเดินมาก้าวหนึ่งอย่างนี้มันก็ไปได้เพราะอะไร มันขาดเหตุมันผลมันก็เกิดไม่ได้อันนี้เรียกว่าทำที่ถูกต้องเดินไปก้าวเดียวมันไม่ถูกต้องเดินในหลายข้าวมันถูกต้องห้ความคิดทั้งหลายนี่กือมันกันฉันนั้นฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะทุกข์กว่าช่างมันเถอะเรานะทุกข์เนี่ยมันก็ไม่แน่เราใครมาเห็นทุกข์มันเป็นตัวไหม มันมีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วตัวทุกข์คืออะไรมีไหมใครเห็นทุกข์ไหเห็นตัวทุกข์ไหยเห็นมันจริงจังไหมผมไม่เห็นมันมันจริงมันจังไลยทุกข์มันก็มันคือความรู้สึกบุกเดียวแต่มันก็หายไปแล้วนะอสุขนั้นตัวมันกันฉันนั้นตัวสุขสุขจริงๆมันมีไหมของจริงจังมีไหม มันก็สักมาแต่ความรู้สึกวูบหนึ่งแล้วมันก็หายไปเลยนี่เกิดแล้วมันก็หลับไปท่า น, นั้นไอ้ความรักของเราเกิดขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วมันก็หายไปอีกไอ้ตัวรักตัวเกลียดตัวชังจริงๆนั้นไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนความเปจริงมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนมันสักแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วก็หายไปเแถวนั้นมันก็หลอกลวงเราอยู่อย่างนี้เรื่อยไปแถวนั้นเนี่ย เอาแน่ตัวไหนได้ไม่มีไม่มีอะไรทางนั้นน่ะสักว่าแต่ความรู้สึกเกิดเป็นมาสมกับคําที่พระพุทธเจ้นาตนตรัสว่าไม่มีอะไรนอกนั้นนะมีทุกขเกิดขึ้นมาแล้วทุกขก็ตั้งอยู่เมื่อทุกตั้งอยู่แล้วทุกก็ดับไปเท่าะนั้น ทุกมันดับไปแล้วสุกเกิดขึ้นมาแล้วก็สุขก็ตั้งอยู่เมื่อสุขตั้งอยู่แล้วสุขก็ดับไปเท่านั้นเมื่อสุขไปลับไปแล้วทุกก็เกิดเกิดมาเกิดมาแล้วทุกตัวตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปผลที่สุดแล้วก็มารวมเป็นอันเดียวว่าอนอกจากทุกขนี่เกิดนอกจากทุกขนี่ตั้งอยู่ นอกจากทุกนี่ดับไปแล้วไม่มีอะไรมีแค่เท่านี้ไม่มีอื่นนอกนี้มันมีเท่านี้เท่านี้แต่เราก็เป็นคนหลวงวิ่งแต่ทุกมันเรื่อยๆไปก็ไม่พบความจริงมันเพราอันนี้มันเป็นจริงไหมแม่มันก็ไม่จริงอีกแล้วอันนั้นมันจริงไหมก็ไม่จริงอีกแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ย น, ปยนไปอยู่อย่างนั้น ถ้าเราพิจารณาแล้วควรวิ่งประมาณฉะนั้นเมื่อเรารู้เรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วมันก็ไม่ไม่ใช่เป็นคนคิดมากมันเป็นคนมีปัญญามากถ้าเราไม่รู้มันมันก็คิดมากหัวปัญญาบางทีปัญญาไม่มีเลยอืเหมือนเจรี่์เขาเนี่ยมาอยู่ครั้งแรกเนี่ยปัญญาไม่มีเลยมีแต่ความคิดความคิดมากแต่ปัญญาไม่มี มันก็ยิ่งทุกข์มากมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ออะไรทุกอย่างอะไรทุกสิ่งถ้าเราเห็นโทษมันจริงๆแล้วเราจึงถอนตัวออกมาได้ถ้าเราไม่เห็นโทษมันจริงๆแล้วมันก็ถอนตัวออกไม่ได้ทุกอย่างนั่นแหละออาการอันใดที่เราไม่เห็นประโยชน์มันจริงๆแล้วเราก็ทำไม่ได้ ถ้ารเราเห็นประโยชน์มันจริงจังแล้วมันก็ทำได้เป็นของไม่ยากฉะนั้นอันนี้พูดเรื่องเฉพาะแนวหลักบริหารทุกคนทุกคนเราก็ให้ทำใจให้มันดีทำใจให้อดทนบางทีก็ เกียดผู้เป็นประธานก็มีบางที่รักก็มีบางที่ผู้เป็นประธานก็เกลียดดุสิตตุหาเลยสร้างควาอย่างอันนี้มันเป็นเรื่องของธร ร, ธ ร, รมดาของมันเท่า น, นั้น่ะอืมแต่แล้วมันก็เป็นของไม่จริงไม่แน่นอนทั้งนั้นดักมันที่ดีแล้วก็เรียกว่าเราเป็นผู้มาปฏิบัติแล้วก็เรียกว่าเลิกละมันเนี่ยมันจะเปิดมา โกรธมันจะเกิดขึ้นมาก็รู้จักมันแค่อย่าทำตามความโกรธอันนั้นพ อ, พอแล้วโลคมันเกิดขึ้นมาก็ไม่ไม่ทำตามความโรคอันนั้นมันจะมีความรักเกิดขึ้นมาก็ไม่ทำตามความรักอันนั้นมันจะมีความชังเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ทำตามความชังอันนั้นอย่างนี้ เรียกว่าเราเป็นธรรมะเดินเป็นธรรมเรื่อยไปนี้อืมอันนี้เป็นหลักที่สําคัญที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในวงการอืมที่เรียกว่าวงการของสมณะเที่เอยู่ด้วยกันมานี้ตอนนี้ผมถึงในโอกาสหาโอกาสยาก จะมาอบรมพวกท่านทั้งหลายนั้นอวันนี้ในการอบรมในการอบรมพอสมควรแล้วก็ให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติการปฏิบัติงานนั้นนี้เป็นไปโดยธรรมทั้งผู้เป็นประธานและก็ทางผู้เป็นลูกวัด เป็นต้นให้ลงกระแสอันเดียวกันเอโกธรรมโมคือธรรมที่เป็นอันเดียวกันและก็ผมเชื่อว่าพวกท่านทั้งหลายทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัตินี้เดินให้มันถูกตามธรรมะของพระพุทธเจ้า ตามรอยพระพุทธเจ้าตามศีลตามสมาธิตามปัญญาให้เป็นสัมมาปฏิบัติแล้วผมเชื่อแน่ว่าผล น, นั้นมันจะเกิดขึ้นแก่พวกท่านทั้งหลายแน่นอนเปรียบประหนึ่งว่าเราตัดไม้สักท่อนหนึ่งเอาทิ้งลงในคลอง แคมันก็ไหลไปในคลองนั้นถ้าท่อนไม้ท่อนนั้นนะ่ะมันไม่ผุแรกก็มันไม่เน่าไม่พังแรกก็ว่ามันไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นไม่ติดอยู่ฝั่งนี้มันก็ไหลไปตามคลองเรื่อยๆไปผมเชื่อแน่ว่าจะถึงทะเลใหญ่เป็นที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น พวกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของประสา ม, มาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วที่เรียกว่าสัมมาทิิสัมมาสังกรปรูที่เรียกว่ามรรคนี้เดินไปตามกระแสะมันถูกต้องให้มันพ้นจากสิ่งทั้งสองอย่างสิ่งทั้งสองอย่างนั้นคืออะไรคือสองข้าง ที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไม่ใช่ทางของสมณะที่จะคิดไปที่จะเอาจริงเอาจังกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือการมาสุขานิการโยโครประการหนึ่งอัตตะกิระมัฐานุโยโคอันนี้ประการหนึ่ง อันนี้เรียกว่าฟังเรียกว่าฟังฟังทั้งสองข้างฟังของคลองของแม่น้ำท่อนไม้ที่ปล่อยไปตามครองตามกระแสน้ำก็คือจิตของเราที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าท่อนไม้เมื่อไม่ติดอยู่ฝั่งโน้น ไม่ติดอยู่ฝั่งนี้เนืท่อนไม้ทอม่ทอนนั้นมันไม่ผุไม่พังแล้วนะมันก็ที่สุดของท่อนไม้ท่อนนั้นมันก็คือรงทะเลถ้า ม, มันไปติดอยู่ฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้หรือมันไปผุไปพังเสียแล้วมันก็ไม่ถึงทะเลใหญ่จิตใจของพวกท่านทั้งหลายนี้พวกเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ก็ดี ฟังครองก็คือความชังหรือคือความรักหรือฟังหนึ่งก็คือสุขฟังหนึ่งก็คือทุกข์ท่อนไม้ก็คือจิตของเรานเองมันจะไหลไปตามกระแสแห่งน้ำมันจะมีความสุขเกิดขึ้นมากระทบมันจะมีความทุกข์ เกิดขึ้นมากระทบอยู่บ่อยครั้งถ้าจิตใจของเรานั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความสุขอันนั้นและในความทุกข์อ น, นั้นแล้วนะจิตนะใจของเราก็จะถึงกระแสของปณิพานคือความสมงบครับนะนี่ ให้เราเห็นว่าทุกเกิดเป็นมาแล้วทุกมันก็ดับไปสุขเกิดเป็นมาสุขมันก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปติดอยู่ในความรักไม่ติดอยู่ในความชังไม่ติดในความสุขไม่ติดในความทุกข์เท่านั้น ก็เรียกว่าเราเดินตามกระแสรธรรมของสมณะมนี่ทีนี้เราปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราจเจริญมาแล้วถูกมาแล้วพบมาแล้วท่านจึงมาสอนเรา ให้เห็นความรักให้เห็นความชังให้เห็นความสุขให้เห็นความทุกข์ว่ามันเป็นธรรมมาทิติ์ธรรมนิยามมันตั้งของมันอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดการใดก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเมื่อกิตของผู้ชนะแล้วไม่ตามไปส่งเสริมมันนะไม่ตามไปเยนยอมันไม่ตามไปยึดมัน่นมันไม่ตามไปถือมัน่นมันมันก็มีกิตอันปล่อยวาง การมัตสุคันวิการโยโคอัจจะกิระมัทธายโยโครตระ น, นั้นดั่มไปตร น, นั้นเน่ยให้ส ม, ม่ำเสมอมันก็เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นสัมมาปฏิบัติผูกทางเหมือนท่อนไม้ที่ปล่อยไปตามกระแสน้ํามันไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นไม่ติดอยู่ฝั่งนี้มันไม่ผุไม่พังมันไม่เนา่ามันก็ถึงทะเลจนได้ เราทรําปฏิบัตินี้เว้นจากทางทั้งสองอย่างนั่นแล้วคือการมาสุกัณิการิโยโคอัตอตะกิรมัฏฐานโยโคแล้วมันก็ถึงความสงบแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้พระพุทธเ จ, จา้าตรัสอย่างนั้นที่เรามาปีนาดูแลวว้วก็เป็นอย่างนั้นอืฉะนั้นจริงๆขอแนะนำโครงกานทั้งาย ถึงแม่ไม่รู้ภาษาไทยพระปารุวัตรปัญโยก็จะอธิบายฟังรู้ได้อันนี้หลักการบริหารพระพวกเราทั้งหลายนั้นทีนี้พระสันทังหลายจะตั้งอยู่ที่นี่นานนะได้เกิดประโยชน์มาก พี่พวกท่านทั้งหลายมาอยู่ในเมืองไทยมีเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่พุทธศาสนานี้เป็นเห็นในคนไทยตื่นตาตื่นใจเห็นศรัทธาพวกท่านทั้งหลายมาทำอยู่นี้ได้ให้ประโยชน์เป็นประโยชน์ถึงแม่ผมไปเมืองนอกมาก็เกิดประโยชน์มากเหมือนกัน ถึงแม้ผมไม่ได้ภาษาเาจริงแต่ว่าผมทำให้ประโยชน์เกิดขึ้นมาได้ทุกคนที่ได้มานั่งฟังธรรมแล้วก็ผมก็ให้ธรรมะไปเป็นบางสิ่งบางอย่างพระสุมเมโธเป็นผู้เป็นล่ามแปลให้ฟังไม่มากแต่ว่าเรื่องอันหนึ่งอีกเป็นต้นไม่ใช่เรื่องภาษามันเป็นเรื่องภาษาของกิตนี้ ยังทำให้กลุ่มพุทธสมาคมกลุ่มชาวพุทธเราทั้งหลายที่ปฏิบัติมาก่อนแล้วเลิกล่้มไปแล้วนานหลายปีกลับสภาพขึ้นมาอีกในกรุงดอนในธรรมปทีแกมเสดในตั้งอกตั้งใจมีศรัทธาทั้งกลุงปา ร, รีสเหมือนกัน อันนี้กรณีว่ามันเป็นรากฐานอันหนึ่งพอสมควรถึงจะผมไปเมืองนอกผมก็ทำให้เมืองนอกเกิดประโยชน์พวกจำทางนั้นมาอยู่เมืองไทยก็ยิ่งเกิดประโยชน์เหมือนกันอืมฉะนั้นอนาคตต่อไปนั้นเราก็ไม่พูดถึงมันแหละเมื่อปัจจุบันเราอยู่อย่างไรก็ต้องทําอย่างนั้นะฉะนั้นเท่าที่ผมนั้นไม่ได้มา น, น, นานๆมาทีหนึง่งอืมก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดเลย เมื่อใครอยากจะไปอยู่วัดน้องประโภคไปอบรมกับพระไทยมันรู้จักภาษามันรู้จักนิสัยใจคอแล้วก็เปลี่ย น, ม, นยายมาอยู่วัดบุงวายมาอยู่วัดบุงวายแล้วเราก็เปลี่ยนไปโน่นเปลี่ยนไปมาเรื่อยๆถ้ามาอยู่แต่วัดบุงวายจริงๆแล้วมันก็มันก็โงูงูภาษาไม่ค่อยดี อแล้วก็ถ้าไปอยู่แต่วัดประโพงศ์จริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเล่าตงวุ่นลอบลอบอยู่นะ น, นี่ไปวัดหองปลาพงบ้างไปวัดบุ๋มายว้ว่างรวมไปเรือร่อยๆไปไอ้ความรู้สึกหรือคิดทั้งหลายนั้นนะ่ะว่าเราจะไปตรงโน้นมันจะดีตรงโน้นมันจะดีนั่นอันนี้มันเป็นแต่ความรู้สึกของเรา อันนี้ผมก็เคยคิดเคยทํามาแล้วอันเนี้ไม่เคยได้ภาวนาที่จะได้ภาวนานั้นก็พึ่งในภาวนาที่มาอยู่นี่มาอยู่แผ่นดินกับลาบในป่าพาอสมควร น, นี่ <Yeah. S 1> เรียกกับทางสัญจรมีตาบาดไปมาของสมควรแล้วก็อาศัยบ้านนั่นอยู่แล้วก็ทําเพียเรเดี๋ยวก็ฟังทำทำความเพียรเรื่อยไป นี่ได้ทำความเพียรมากที่นี่เมื่อพูดถึงไปทุรงไอทุรงเน้นทาไปจริงๆนะมันก็นดีหรอกแต่มา <Yeah. S 1> ทุกวันนี้มันไปทะลุดงมันไม่อยู่ในดงมันไปอยู่ในบ้านคนดงนี้ก็มาอยู่ทะรุไปเยด้วยไปทุกวันนี้ไปทะลุดง